บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญจริงๆก็คืออยู่ที่การละความชั่วประพฤติความดีเพื่อจิตใจของตนเองมีความของแผ้ว ปราศจากกิเลสลงไปโดยลำดับเจี <Okay. S 1> ยวถึงก็หมดสิ้นไปในที่สุดข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าถ้าบุคคลจับเป้าหมายได้ในลักษณะนี้แล้ว <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องต้นจุถ้าหากว่าเป็นไปปการละความชั่ว ได้ประพฤติความดีได้จะททำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเป็นมาได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นธรรมะปฏิบัติแล้วโดยเฉ พ, พาะภารกิจของผู้ที่ครองเรือนนั้นสำนวนบาลีจนใช้คำว่าภู ก, กิจารุกนิย า, กกยาคือมีกิจมากมีเรื่องที่จะต้องจัดจะต้องทำ ม, มาก การที่จะปฏิบัติกรรมาฐานโดยรูปแบบจริงๆแต่มีเวลาน้อยทั้ น, นั้นประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การพยายามใช้สติสัมปชัญญะกระลึกรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามสงควรแก่กรณีดนั้นแต่มีผลเป็นความเปลี่ยนแปลงโดยนาย่าทังกล่าวแล้วคือความชั่วลดลงไปความดีเพิ่มขึ้น จีใจมีความสาดขึ้นแต่ว่าทำได้อย่างนี้บุคคลก็จะหาประโยชน์จากอะไรก็ได้ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนให้เกิดผลโดยนัยะที่กล่าวแล้วก็นี้เพิ่งสังเกตตัวอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรูตัวที่กระตุ้นเร่งร้าวให้โปร่งขนขวายเพื่อ ออกประวดแสวงหาทางจดสรุนั้นที่จริงแล้วเป็นภาพปกติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่ในที่ทั่ทวไปว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามเพียงแต่ว่าคนมองภาพเหล่านั้นเท่าที่มันปรากฏและไม่เชื่อมโยงเข้ามาหาตนเองแต่ว่าเจ้าชายจิตตฐานนั้นจะมองภาพเหล่านั้นลึกซึ้งลงไป แล้วก็มองในรูปกระจายออกไปจนถึงมาถึงรงเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ทำให้เกิดความสังเวศสลุดจิตที่เจลีญหนีความทุกข์สึ่เกิดขึ้นจำเจซ้ำๆสักสักแก่ชีพทั้งหลายอีกคราวหนึ่งเสด็จไปเที่ยวไปในอุทยานเฮนิกาตัวหนึ่งก็ไปคาบเนื้อมาชิ้นหนึ่ง กตัวหนึ่งเห็นก็บินเขาไล่แ ย, ย่งแย่งกันไปแย่งกันมาเนื้อนั้นก็หล่นสุนัขที่อยู่ข้างล่างก็คาบเนื้อวิ่งหนีไปสุนัขอีกตัวหนึ่งเห็นก็วิ่งไล่ในทสุดก็แย่งกันต่อสู้กัน่ังจะเห็นว่าในแง่ของธรรมะแล้วไอ้ชิ้นเนื้อนั้นก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุกรรมนั่นเอง วัตถุกรรมจึงไม่ได้หมายเอาเฉพาะชิ้นเนื้อแต่หมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายแต่เราถึงจึกนกด้วยใจชีวิตของบุคคลในโลกนี้จะแม้แต่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องยื้อแย่งต้องต่อสู้ต้องปราดประหารต้องทําบาปเป็นอันมากเพื่อวัตถุกรรมเหรอกนั้น ทำไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองบ้างทำไปเพื่อเสริมสร้างสถานะของตัวเองบ้างทำไปเพื่อให้สืบทอดเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานตัวเองบ้างตลอดถึงทำไปเพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเป็นต้นแต่สรุปว่าการกระทําเหล่านี้ก็คือการสแสวยงามวัตถุกรรมในทางที่ชอบปังไม่ชอบบ้างและในที่สุดก็หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เ่ลาได้มาก็ดีใจไา้มาแล้วก็ต้องดูแลใจใสดูแลรักษาป้องกันอันตรายอันตรายเกิดขึ้นก็ต้องต่อสู้ป้องกันต้องมีการปราประหารกันมีการสูญเสียมีการล้มตายไปเป็นต้นก็เป็นทางแห่งบาปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจากจุดของความคิดนี้เองทำให้พระองค์มองเห็นถึงปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเพราะแต่ละคนนั้นยืดแย่ง สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตัวมาตั้งแต่ต้นแล้วก็จริงก็จะไม่เป็นของเราให้เราสังเกตว่าสิ่งที่บุคคลทั้งหลายยื้อแย่งกันนั้นไม่ได้เป็นของเรามาแต่ต้น ต, ตอนเรามาเราก็ไม่มีอะไรให้ยื้อแย่งอะไรกับใครไอ้สิ่งที่ยื้อแย่งที่ต่อสู้กันจนถึงปราดปรานกันนั้นเป็นของที่มาทีหลังและบางทีก็เป็นการมาอยู่กันชั่วขณะเท่านั้นเอง อาจจะอยู่ได้หลายวันหลายเดือนหลายปีแต่วันไนที่สุดก็ต้องพลากจากไปก็ต่างคนต่างก็ไปเอาก็จริงแล้วคนไปจะทำบาปเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ของของตัวมาตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องใหญ่แต่นั่นทาทให้พระองค์มองเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในคนในสัตว์ในกลุ่มอะไรก็ตามมันจะมีอาการอย่างเดียวกัน เพื่มเหตุเมื่อเห็นคนหนึ่งได้คนอีกคนหนึ่งก็อยากได้เมื่อไม่ได้ตามที่ตัวต้องการก็ก็ต้องทําบาปคือต่อสู้กันในการต่อสู้นั้นก็ขึ้นอยู่ความรุนแรงของกิเลสที่เกิดเป็นเหตุให้ต่อสู้แต่หากความรุนแรงมากก็อาจจะถึงทําบาปเพิ่มขึ้นโดยการฆ่าเขาแล้วจะมีการฆ่าปิดปากและมีจตการฆ่าล้างโคตรล้างสกุลกันถึงว่าจริงๆมันก็เริ่มมาจากกุตุ ก, การ์เล็กๆท่านั้นที่สุดจิตไม่ยอมจุดปริมาณของกิเลสแกก็เพิ่มขึ้น พฤติก ร, รมทางกายทางวาจาของบุคคลก็รุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะทำบาปเฉพาะลําพังตัวเองก็ไปดึงใครต่อใครเข้ามาร่วมการกระทําบาปกับตนแต่สุดยื้อย่งไปแล้วก็ไม่มีใครที่ได้ถือครองอย่างแท้จริงบางคนต่างก็ทิ้งสิ่งที่ได้ยืด อ, อย่างได้ต่อสู้ไดป้ประหารมาก็ะทำให้ร่มก็ได้ความคิด ที่จะหาสาระแก่นสารจากชีวิตได้มากกว่านี้เพราะเวลาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงคิดในลักษณะเดียวกันทัง้งที่จริงภาพเหล่านั้นก็เป็นภาพปกติธรรมดาก็มีทุกคนทุกแข่งเพียงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้มองเท่าที่ปรากฏเป็นการมองในรูปของกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย อาศัยการเวลาอาศัยเหตุปัจจัยภายในบ้างภายนอกบ้างแล้วในสุดคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรองเองก็ถ้าอยู่ในเงื่อนไขนั้นมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นก็จะอยู่ในลนนักษณะเช่นเดียวกันเพราะสรรพสัตว์แต่สร ร, รรพสัตว์ถึงแม้แต่สรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแล้วในสุดก็ทําให้พระองค์ได้คิดที่จะหลีกหนี จากสิ่งนึ่งซ้ําๆซักๆซึ่ง เ, เรื่องยๆก็เป็นอย่อยางนั้นไรืไปตลอดทึงตอนที่เสด็จออกปรนวดแล้วพระองค์ก็เรียนจากสิ่ ง, งต่างๆนั่นเองไม่ได้เรียนจากสิ่งที่นอกไปจากคือไม่ได้มีรูปแบบพิธีกรรมอย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้ เป็ตวการสำคัญจริงๆคือสติสัมปชัญญะที่เกิดรู้ทันกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ายามหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช็ดรับสั่งเระวถึงบางครั้งไปบำเพ็ญเพียรอยู่เมื่อเกิดหวาดกลัวสุดมากความหวาดกลัวจะเกิดในราตรีเพลนของแต่และเดือน วิธีที่จะคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก็คือตรวจสอบตูถึงเศษุของความกลัวว่าความกลัวในมันเกิดมาจากอะไรเราจะพบความจริงเมื่อกล่าวโดยสรุปเพราะความกลัวนั้นจะมาจากสี่แหล่งด้วยกันแหล่งแรกก็คือมีธาตุของความเป็นคนขลาดกลัวเป็นพื้นอยู่ภายในใจคนนั้นแหล่งที่สอง ก็คือกุตนได้มีการกระทาที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วสิ่งนั้นก็กลายเป็นสนิมใจที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นไปในจิตใจแรงที่สามก็คืออาการผูกขึ้นของกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆจะทำให้เกิดความกลัวขึ้นตามสมควรแกรแรงของกิเลสที่เกิดขึ้น ประการที่สามคือผลของความชั่วที่ตนได้กระทําเอาไว้ก็เกิดกลัวผลของความชั่วเหล่านั้นถ้าในสุดจากจุดนี้เองพระองค์ก็มาตรวจสอบตรวจสอบดูสิ่งที่มีปัญหาทั้งสี่ประการนั้นว่ามีอยู่ในพระองค์หรือไม่ธาตุของความเป็นคนขาดคือมีคนขาดเป็นพื้นพรองค์ก็ไม่มีไอบาปกรรมที่ไปทําผิดอะไรเอาไว้ ถ้าเกิดมาวิตกกังวลในภายหลังก็ไม่มีไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นฟูกลุ้มรุมใจมีลักษณะแรงๆก็ไม่มีพ้นบาปต่างๆที่จะต้องหวาดวิตกกังวลก็ไม่มีเพราะพระองค์มองเห็นความบริสุทธิ์หมดจุดในระดับหนึ่งเพราะในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือก็มองเห็นในระดับหนึ่ง แต่ำให้เกิดปีติปราโมทเกิดความเชื่อมั่นขึ้นแต่แม้แต่ตอนที่บําเพ็ญเพียรอยู่จะเปลี่ยนจากจุดของบำเพ็ญทุกรกริยามาเป็นบาเพ็ญเพียรทางจิตก็เริ่มจากกระแสความคิดที่ได้ยินเสียงขับพินด น, นั้นเองท่านเล่าไว้ว่าในขณะที่ทรงบาเพ็ญเพียรอยู่นั้นบาเพ็ญทุกรกริยาอยู่นั้น ก็มีเสียงขับที่ตันเรียบเรียงเป็นคำํำกลอนว่าดีดพินจับระบําจงทําสายพอดีถึงนักสายมาขาดเพลงพินาศหมดเสียงใสห ย, ย่อนนักสายหมดไปจงทํำสายพอดีจะเห็นว่าถ้าคนธรรมดาฟังมันก็ธรรมดาก็เป็นคําร้องเพลงแต่นั้นเองเป็นการบรรเลงเพลงพินของนักดีดพินถึงก็มีอยู่แบบนั้น แต่พระองค์ไม่ได้มองอย่างที่เขาร้องเท่านั้นเองแต่น้อมนึกขึ้นมาเทียบเคียงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็มีตึงมีหย่อนแล้วก็มีพอดีในบทเรียนที่ชัดในตอนแรกก็คือสายพินสามสายแล้จากสายพินสามสายนั่นเองก็มาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของพระองค์ก็เห็นว่าในขณะนั้น การปฏิบัติก็เหมือนกับสายพินที่ตึงเกินไปแต่ขืนทําต่อไปก็ต้องขาดแต่ชีวิตเองก็ไม่หาจดารงอยู่ได้แต่ในสุดก็ปรับการบําเพ็ญเพียรมาเพียงการบําเพ็ญทางจิตอย่างที่ทราบกันแต่ในขณะที่บําเพ็ญเพียรทางจิตอยู่นั่นเองไอ้สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดนั้นก็เพียงทอดไม้สามท่อน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันท่อนไม้ท่อนหนึ่งไม้สดแช่น้ำท่อนที่สองไม้สดวางบนบกท่อนที่สามไม้แข้งวางไว้บนบกโดยอาศัยไม้เพียงสามท่อนก็เกิดความคิดแล้วคือน้อมนึกเข้ามาหาตัวเองได้ปัญจจใจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมันก็เหมือนกับท่อนไม้นั่นเองจิตใจจะใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ มันก็อยู่ที่สภาวะของจิตในขณะนั้นคือเหมือนกับท่อนไม้ที่จะทํเาเครื่องประดับหรือเครื่องงานที่ประณีตได้มันก็อยู่ที่สภาพของไม้ถึงจะใช้ในขณะนั้นทําไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางและวางไว้ในน้ําันก็เปียกทั้งสองอย่างจะไปทำเฟอร์นิเจอร์ทําเครื่องประดับอะไรมันก็ไม่ได้หรือแม้จะไม่แช่น้ําแต่ยังเปียกยางอยู่คือไม้ท่อนที่สองมันก็ไปทําอะไรเช่นนั้นไม่ได้เหมือนกัน ไม้ที่จะทํางานซึ่งประณีตได้ก็ต้องเป็นไม้แข้งที่ไม่มียางแล้วก็วางไว้บนบกเพราะจิตใจของบุคคลมันก็มีลักษณะเดียวกันคือปัญหาสําคัญอยู่ที่กายกับจิตชีวิตคนก็คือกายกับจิตเต่นั่นเองการที่ทําตัวให้รอดพ้นจากอานาจของกิเลสนั้นตัวการสําคัญมันก็อยู่ที่จิต แต่ว่าการปลีกตนออกไปจากวัตถุกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนคราวนี้มสังเกตว่าที่เราจะทําใจของเราให้สงบโดยอารมณ์ของกรรมฐานทำกลางบูดพัญญาสามีญาติพี่น้องคนเต็มบ้านไปหมดมันก็ทําไม่ได้เพราะนัการปลีกกายหาความสงบจึงถือว่าเป็นการสร้างปัใจจัยให้เกิดสปายะ คือมีความพร้อมที่จะทำความเพียรทางกิตแต่นั่นเองดัง้จากความคิดที่อาศัยท่อนไม้ทำท่อนก็ทำให้พระองค์ได้หลักว่าบุคคลใดก็ตามที่กายก็ยังไม่ออกจากวัตถุ ก, การมจิตก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยการมทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความเพียรพยายามยังไงก็ได้แต่จะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา เปียกเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ดดอย่างและวางไว้ในน้ำแม้คนจะใช้ความเพียรพยายามอย่างไงเอาไม้นั้นมาสีให้เกิดไฟมันก็เกิดไฟไม่ได้พวกที่สองผู้คนใดก็ตามที่แม้กายจะออกไปจากวัตถุกรามแล้วคือไม่เกี่ยวข้องโดยทรัพย์สินเงินทองบุตรัญาสามีแล้วแต่ว่าใจยังกระหวัดถึงยังตรึกนึกถึง ยังโหยหาถึงอยู่บุคคลเหล่านั้นไม่จะใช้ความเพียรพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณเภเศ ษ, ษได้เปรียกเปือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้อยางแม้วางไว้บนบกแต่ก็ยังเปียกยางบุคค ล, ละจะใช้ความเพียรพยายามยังไงก็ได้เอาไม้นั้นมาสีก็ไม่สามารถจะห้เกิดไฟขึ้นมาได้เพราะยังเปียกยางอยู่แดยข้อที่สามว่าสมณ สมณะพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ออกจากกามแล้วจิตก็ไม่ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่ใช้ความเพียรพยายามอยู่ก็จะบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้แข่งที่ปราศจากยางและวางไว้บนบกบุคคลผู้ต้องการไฟนํามาสีขามันก็เกิดไฟได้ทีนี้ปัญหาสําคัญว่าพระองค์คือท่อนไม้ท่อนไหนวิเคราะห์ตรวจสอบดูก็จะพบว่าขณะนั้นเวลานั้นที่จริงก็อยู่ในท่อนไม้ท่อนที่สา คืมีความพร้อมในกิเลสกาแม้จะมีแต่ไม่ถึงก็เกิดขึ้นกลุ่มๆใจอย่างชาวบ้านทั่วไปเพราะว่าโปร่งผ่านการปฏิบัติระดับอนาปานสติมังกรแล้วก็บรรลุฌานมาแล้วตั้งแต่สำนักของอาลาบทอุทุกดาบทเรืองก็พร้อมแต่เพียงแต่ยังไม่เอามาสีไฟเท่านั้นเองคือยังไม่เอาไม้มาสีกันเท่านั้นเองไฟจึงไม่เกิดแต่ไฟในที่นี้หมายถึงไฟคือยานที่จะเผากิเลสให้หมดสิ้นเฉย เราสังเกตว่าไฟเองก็ใช้ทางด้านดีด้านไม่ดีเจิตอปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกก็ใช้ในแงด่ดีแต่บางทีก็ใช้ในแง่ไม่ดีเช่นว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะก็หมายความว่าใช้เป็นกิเลสก็ได้ก็ใช้เป็นธรรมะก็ได้เพราะเป็นเรื่องของอุปมาแต่ น, นั้นเองเราจะเอาประเด็นไหนมาใช้แต่การคิดธรรมะในแนวนี้ไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธเจ้า ที่จรง ม, มีแก่บุคคลทั้งหลายแก่พระริยาเจ้าทั้งหลายทุกๆรูปท่านจะมีประเด็นของความคิดที่เกิดขึ้นแล้วท่านอาศัยช่องของความคิดเพียงเล็กๆนั่นเองขยายผลออกไปโดยลําดับจนมีความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจจะนี้เคยยกตัวอย่างให้ฟังบ้างบางครั้งเพียงอาศัยกําไรในมือของคน เห็นเด็กเห็นคนคนหนึ่งมีกําไรอยู่ในมือข้างหนึ่งสองสองอันข้างหนึ่งอันเดียวมือที่มีกําไรอยู่สองอันเวลาแกไปแขนมันก็มีเสียงดังกระทบของกําไลแต่มือที่มีอันเดียวก็ไปกระทบจะทําให้ท่านในเกิดความคิดขึ้นมาว่าการกระทบกระทั่งทางใจของบุคคลนั้นที่จริงมันเพราะมีสองคือถ้ามีหนึ่ง คืท่านเรียกว่าเป็นโสตคือคนเดียวนะฮะมีอารมณ์เดียวมันก็ไม่มีการกระทบอะไรก็เหมือนกับกาไรอีกมือหนึ่งแต่มก็เป็นกาไรเหมือนกันแต่ไม่มีตัวกาไรที่สองจึงไม่ส่งเสียงไม่มีการกระทบกันกรนี้มันสังเกตว่าในกรณีนั้นท่านมองในแง่ของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งมองในรูปของอารมณ์หยาบจะเป็นบัดไดเบื้องต้น จริงก็คืออารมณ์หยบาบๆว่าคนเราถ้าอยู่สองคนขึ้นไปนี่จะหาความสงบได้ยากแต่ถ้าอยู่เพียงคนเดียวโอกาสที่จะสงบได้ง่ายขาอนี้ในขักขควิสานะสูตรท่านสรุปรวมว่าเมื่อเราเห็นพิจารณาเห็นเช่นนั้นแล้วบุคคลบึงเที่ยวไปคนเดียวเมือนน่อหนอดแรกคือไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลาย แน่นอนเป็นคารวาสโครงเรือนมีบุตรหลานทรัพย์สมบัติภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนั้นการจะทําทเป็นฉะนนั้นจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ปัญหาสําคัญว่าทํำยังไงในจุดของความเป็นของเราอยู่ในั่นเกี่ยวเกาะการลมทั้งลายอย่างนี้นม่จะตัดออกไปได้ใช่บ้งางจะต้องเรี้กว่าตัดปริโคตรคือความกังวลออกไปใช่บาง บาเรื่องเป็นการเอื้อมของใจที่ไกลเกินเหตุบางอย่างก็เป็นการขวายคว้าจนสูญเสียเวลาไปท่านทำยังไงจึงจะตัดว่าเราอยู่ตรงนี้ก็อยจิตมันอยู่ตรงนี้แหละจะไปห่วงบ้านห่วงลูกหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงหน้าที่การงานที่บ้านถ้าห่วงไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้สมมติจะมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น แก่ญาติพี่ของเราแก่ทัพสมบัติของเราที่บ้านเดินของเรามันก็เกิดเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครจ ะ, จะไปแก้ไขอะไรไ ด, ได้เราก็อยู่ไกลแต่ฐานที่เหล่านั้นในการตัดความปริโภทื้เรื่องกังวลอันนี้ผลในด้านสุขภาพจิตคือรักษาสุขภาพจิตของบุคคลบางครั้งก็คิดมากรู้มากไวตัวกังวลมากแล้วก็นอนไม่ดับ จถ้าลองสอบถามใจตัวเองก็อยันว่าอารมณ์เป็นนันมากคิดไปมันกรเทานั้นเนี่ยไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาจยากที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาความคิดของคนว่าเหมือนกับใบ ไ, ไม้อ้อไม้อ้อแต่มันกระทบอะไรก็รูปไปก็รูปมาคือการไปเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีต ทต่าจเรียกว่าวิปัิสารใจคือใจไปเดือดร้อนกับเรื่องในอดีตเพิ่งสังเกตว่าพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธเรื่องอดีตแต่พุทธศาสนาจะใช้อดีตอยู่สองแนวแนวที่เป็นอกุศลก็คือเป็นบทเรียนที่จะงดเว้นแนวที่เป็นเป็นกุศลคือความดีทั้งหลายถือเป็นบทเรียนที่จะประพฤติกระทำต่อไป ขั้นพุทศาสนาก็นำเรื่องอดีตมาสอนเช่นเรื่องชาดกทั้งหลายก็เป็นเรื่องอดีตเรื่องเปรตเรื่องเทวดาทั้งหลายก็เป็นเรื่องอดีตผู้อรารมณ์กรรมฐานแม่อารมณ์กรรมฐานทั้งหลายแต่เห็นว่าก็เป็นระลึกถึงเรื่องอดีตเช่นจากการนุสติระลึกถึงการสละการบริจาคของตนก็เป็นเรื่องอารมณ์อดีตศีลานสุสติก็เป็นการระลึกถึงศีลในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเชื่อมโยงกันมา แต่เราจะใช้อดีตอยู่ในสองทางนั้นคือใช้เป็นบทเรียนที่ควรประพฤติปฏิบตัติต่อไปก็เป็นบทเรียนที่ควรแก่การงดเว้นไม่ประพฤติไปกระทแตายด้คิดในแนวอื่นมันจะเพิ่มความสศกขึ้นคื่ต้องการให้บางอย่างมีบางอย่างเป็นต้องการให้บางอย่างไม่มีบางอย่างไม่เป็นเพราะได้ยิงสิ่งเหล่านั้นแก่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแกก็ดับไปแล้วในอดีต สมมุติว่าจะมีจะเป็นขึ้นในปัจจุบันก็เป็นเอกเงื่อนไข่หนึ่งกติกาหนึ่งการอันหนึ่งแล้วก็เหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งบางคนเรื่องกับเรื่องในอนดีตอดีก็คือเป็นไปแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วเป็นการเป็นไปที่ไม่ย้อนกลับมาอีกนั่นเราจะจะพบว่าถ้าใช้อดีตให้เป็นมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นการพร่าพรานการเวลาของตนให้สูญสิ้นไป ในจุดนี้วิธีทําใจของตนให้สงบก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วเรานำมาใช้เป็นบทเรียนในการงดเว้นกันในการประพฤติปฏิบัติและเพื่อเพิ่มพูนในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เป็นการเพิ่มพูนปิติปราโมทย์ขึ้นแต่พระเจ้าจไม่สอนให้เศร้าโศกเสียใจยแม้แต่เรื่องความผิดพลาดเสียใจบางก็ท่านั้นนะ่ะ ว่มันเรื่องมันเป็นไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้ยาที่ทรงสอนไม่ให้บุคคล ร, ร้องไห้เสียหัเสียใจไปทายาทพี่น้องล้มรั้วพลาดพลาดจากไปก็จริงมันเรื่องเป็นไปแล้วแต่เราก็สามารถมองได้มองได้ว่าแม้เราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ว่าเราเองก็ต้องเป็นเช่นนั้น เพาในส่วนหน้าที่ก็ส่งสอนในรูปหน้าที่ในส่วนที่เป็นอนุสติก็คือเพิ่มมารณสติขึ้นมาเราจะพบว่าเราก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือด้านด้านศิลธรรมจริยาก็ปฏิบัติภาระหน้าที่ของผู้มีชีวิตอยู่ที่จะทําต่อผู้ตายในด้านธรรมะปฏิบัติก็จะมองเห็นทุกษัตริย์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจิตใจของบุคคลก็จะสงบ มีความเยือกเย็นจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นเขาก็ได้ผลทั้งสองชั้นแต่ถ้าไปทำไปวิตวกวังวลเดือดร้อนหรือเศร้าสกเสียใจมันก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาแต่คำน้ำซ้ำกลับเสียเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่า การร้องไห้เสียใจต่อคนที่พลัดพรากจากไปนั่นหนึ่งญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้รับรู้การร้องไห้เสียใจของเราสองสุขภาพพระลานามัยก็เราจะเสื่อมโทรมลงไปสามญาติพี่น้องเราอื่นก็จะพลอยต้องเศร้าโศกเสียใจตามไปด้วยสีคนที่เป็นศัตรูก็จะชื่นชมยินดีในความพิบัติซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เห็นว่าการกระทําไปแล้วบางอย่างไม่ได้ผลก็ไม่ให้ทำํำคือไม่ได้มองในมุมนั้นธรรมะนั้นก็เหมือนกับสิ่งหลายด้านคือมันมีอยู่หลายเหลี่ยมเราจะจับเปลี่ยมไหนขึ้นมามองแต่ว่าต้องมองแล้วต้องให้ได้ประโยชน์ถ้ามองแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ให้มองในสิ่งนั้นดังนั้นถึงสังเกตว่าบางอย่างเนี่ยมันมองแล้วเราเราเข้าถึงไม่ได้ จิตใจเรายังไม่ได้พัฒนาไปถึงขนาดนั้นเช่นอรูปกรรมฐานสี่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยที่พระเจ้าสอนสมหรับบุคคลเบื้องต้นก็สอนเย่างสามสิบหเท่านั้นเองอรูปกรรมฐานสี่จะสอนเมื่อบุคคลจเจริญไปจนถึงจะตุทะชาแล้วจึงจะสอนคือแม้แต่เรื่องธาตุสี่เพื่อสังเกตว่าธาตุสี่นั้นเป็นธาตุที่พูดกันทั่วไป ผู้ละเข้าใจง่ายลักษณะใดแข็งแขรงเป็นปัตวิธาลักษณะใดเออบาเป็นอโภธาลักษณะใดพัดผันเป็นนาวายุธาลักษณะใดทํากายอบอุอ่นทํากายสุดโสเป็นต้นก็เป็นเชตชโยธาก็ดูเ็ง่ายแต่อากาศธาตุกับวิญ ญ, ญาณธาตุนั้นจะไม่เอามาสอนในตอนต้นแล้วจะสอนเมื่อบุคคลผ่านการประพฤ ต, ติปฏิบัติมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิพอยเห็นอากาศพอยเห็นวิญญาณได้ชัดเจนแล้วจึงจะนํามาสอน แต่สรุปว่าการคิดการพินิษฐ์พิจารณาหรือแม้แต่การสั่งสอนนั้นจะมุ่งไปที่ประโยชน์เรียกว่าเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีแล้วก็เป็นไปเพื่อความดับโดยจะทําได้ขนาดไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็สําคัญว่าการเรียนรู้ในแนวนี้บุคคลสามารถจะหาได้จากที่ต่างๆจะอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือเป็นพลิตภัก็ตามผู้มีปัญญาสามารถจะห า, หาประโยชน์ ในการลดละความชั่วเสริมสร้างคุณธรรมความดีตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆได้เสมอไปแต่นั้นจึงทรงสรุปไวในที่หนึ่งว่าประโยชน์พึงเกิดในที่ใดๆด้วยวิธีใดๆให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ